พวกก็จงพร้อมกันว่าข้าพเจ้าจะขอรักษามเมืองไว้จนกว่าชีวิตจะสิ้นโดยยินได้ฟันั้นก็ดีจจดใจเห็นฐานทัพนีกำลังใจพักพร้อมมั่นคงกันมีอยู่เพราจได้ทหารทั้งตัวประเตรียมอาวุธอันสำคัญในการนี้ก็คือเก่าทํงเรียกราให้พพร้อมทั้งเวลากังวันและกังคืน ระเตรมการพร้อมอยู่แ่นั้นตลอบเวลาสองสามวันน้ำติดบาตรถุวนมัดดิส่วนนะ่ะมันก็ถอยลงไปลกลงไปเองทางอ้อเมื่อมีทายชนะก็ลุยชาปลากดแก่คนทั้งเตืองยิ่งกว่าแตก่ก่อนฝ่ายอ้วนหญิง มรรนีนเปน อ, อยู่คนทสองคนอขึ้นอยู่เมืองเงควนั้นก็เด้ยกมาเยี่ยมบิดาค อ, อูคอยควรหินเนี่ยคนอมีเป็ น, น, นื่องน่าเชื่อถ่ที่สำคัญ ข, ของคนอูต่อไปทีเดียวคน อ, อูค่อยควหินเนี่ยือหนังสือไปทูลความแต่พระเจ้าฮันสงคือพระเจ้าเราปีในเมืองเซิงโตอวอดบัต้ ขบเจ้ามีมืนสงหยได้แล้วจับตัวอีกิมส่งไปมือเป็นกิวและบางต้นนั้นขบเจ้าก็จับตัวได้และให้ฆ่าไปแล้วซึ่งฐานทั้งตัวมาทำการติดครั้งนี้ก็มีความชอบเป็นอันมากดุนก็รับบันสือนั้นมาแล้วก็ขมับราบิดาไปยังเมืองเซ่งโต ฝลายกวอนอูนก็แบ่งทหารให้ไปตั้งอยู่ที่ตำบลเกียบแพรอันเป็นทางเข้าเมืองอ้วนเสียมือว่าไปแล้วก็เป็นความจริงอย่าที่บวนพงษที่ปรึกษาเจยาินว่าเหมือนกันออกแบ่งทหารหไปตั้งอยู่ทีตำบลเกียบแพร์อันเป็นทางเข้าแล้วก็ยกทหารเข้าไปจะรบเอาเมืองอ้วนเสีย กูนูนั่นก็ขี่มายืนอยู่ตรงประตูข้างทิศเหนือแล้วแท่มาชี้หน้าร้องกัาไปทีดวะไอ้พวกหนูเป็นไรมังจินนพากันออกมายอมแล้สมัครอยู่ด้กูเสียจะคอยทีอยู่เมื่อไดเราขณะนั้นเจอหหินยืนอยู่บนหอรถเหล่อกูนูใส่เสือ้อมีแต่กรอกปิดอกอยู่เท่านั้น เขจะหทหารห้าร้อยเอาเกาทันยิงกระหน่าออกไปปูนปูนประมาทอยู่เรือใอเข้าไปใกล้ในระยะเกาทันปูนหลบไม่ทันกพรเกาทันตั้งห้าร้อระดมยิงมานะ่ะเกาทันดอกหนึ่งถูกเข้าที่ไหลายถึงพัโตกจากหลังมาเลยทีเดียวบางตึกยิงเข้าไหลขวา มาตอนนี้ไม่รู้ว่าเก่าทานของใครละถูกเขาพี่ไหลยฟผังหะหงายตกจากหลังมาโจโหญิงข้าหญิงควนอูถูกเกาทานตกจากหลังมานั้นค่อยทหารยกออกรบไปเดียวฝ่ายกวนเป๋งผู้บุตก็ให้ทหารเข้ารบกับทหารโจโหญิงทหารโจโหญิงก็ถอยกลับเข้าเมืกวนเป๋งก็พากวนอูผู้บิดากลับคืนมาอย่งค่ายได้ ไม่ชัดลูกเกาทันออกเสียแต่บัดนี้ลูกเกาทันดอกนี้รูปนี้มันต่างกว่าเกาทันบางติก ค, คือเป็นเกาทันที่อาบดียาพริกกำซ่าพอไปถึงกระดูกมีพริกเกล็ดปวดวร้าวเป็นกำลังแต่เจะไหวตัวขยับขยื่นเคลื่อนตัวก็มีได้ควนเป่งกับฐานตั้งตัวเห็นบ่กอวนอู ้วยสาหัสอยู่ดังนั้นก็พากันเข้าไปผู้แก่ อ, อวนอูบัดนี้ท่านเกิดเจ็บมาอยู่ชะนี้เึงจะทำการต่อไปก็เห็นว่าขึ้นจะรำบาดนะะข้าพเจ้าปรึกษาพร้อมกันแล้วจะขอยกทับกลับมือเก่งจิวรักษาแผลท่ายใน ห, หายก่อนจีนค่อยมาทำการต่อไปใหม่อวนอูได้ยินี้ก็มีความโกรธก็จีบ่ก เราจะตัวอะไรกับความเก็บน้อยเงินเท่านี้เราจะไปีเอาเงิอนอ้วนเสียจนได้และจะยกไปไปอีออานงินหูต่อจับจัดให้โจโฉใชเพื่อพระเจ้าเนเตจะได้มีความสุขพวกเจ้าจะมาว่าดังนี้ต่อไปเหตุภัยทนน้ำฝนเสียน้ําใจอีกเป็นอันคาดวนเป็นและมายฐานุาิยาจักรวินควรอุ้ว่าดี๋นั้นก็ไม่อาจจะขาดได้ ต่างคนต่างก็คำนับลาออกมาและพอดีวันนั้นหัวโตหมอเอกชาวเมียนเจ้าขุนมาถึงค่ายทหารทั้งวง ก, ก็รีบไปบอกแกกุนเตงกุนตงเนี่ไปรับตัวหมอหัวโตเข้ามาหมอหัวโตก็จึงว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าเบิดาท่านนะถูกก้าคันตัวอยู่ที่ข้าจ้ามาเนี่ย จะมารักษาให้คุณเป่งก็ถามว่าเมื่อครั้งท่านรักษาจีนไท่ในเรื่องกันต่างน่ะก็คือท่านเนี่ยหรือจีนไท่ตอนนั้นโดนเกาพันเขา่าพุุนโดยทั้งตัวอ่าสุนกวนริงจุราธรรมะมิปุติจีทไายนะดินสุราก็าไปครั้งไรสุราก็ให้ออกตามบาดแผลครั้งนั้น คิดมบริษาหักแค่ไหนแต่หมอหัวโตวีก็รักษาได้มีบัดนี่หมอหัวโตวีจะรักษากวนอูละกวนเต๋นก็ถามบาคนเดียวกันนึกเปล่าหมอหัวโตวก็รับว่าคือข้าพเจ้าดีแล้วควนเป๋นแล้วนนั้นก็ดีใจค่อยทหารพาหมอหัวโตวเข้ามาในค่ายฝ่ายกวนอูนัมีความเจ็บปวดเป็นอันมากแต่เกรงว่าฐานนั้นคงจะเสียน้ําใจ กติณสกัดแข็งใจทำเป็นปกติทำเป็นสบายเรียกมาเลี้ยงเข้ามาเล่นมารุ ก, กันอยู่หวังใจฐานน้าพวงมีน้ำใจพอแลเห็นอัวโตวเข้ามาวัวนู้ก็เรียกให้กินน้ำชาแล้วกติณยพิ จ, จรารณาดูบาดแผลหมอวัวโตวก็ติงหว่ง ด้วยยาพิกกําซาบเขาไปในเกดิดดุถ้าไม่เร่งรักษานานไปไหลจะเสียคอนอือก็ถามว่าและท่านจะรักษาได้หรือไม่ได้นมอโวโต้ก็บูดอะจะรักษาอะได้อยู่แต่ตัวท่านจะทนไม่ได้วอนอือก็จุดวะท่านจะทํานเมื่ไรก็ตามเถอะหมอโวโต้จุดวา ม้าเป็นเจแค่เอาปลอกมรัดตัวท่านไว้กับเสาไม่ให้ไหวตัวได้คือการรักษาคงจต้องกระทำกันดิ้ความอานบาเดเจ็บถึงขนาดคนเจ็บจะต้องทนไม่ไหวเนี่ยเขาปอกมารัดตัวไว้กับเสาเพื่อให้นิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนอุงเัก็วาราแล้วก็บอกว่าเราหาตัวมาอย่าพักต้องเอาปลอกมารัดตัวเราเลย ท่านอากทำระ ก, การใดก็ตามแต่ท่านอทำเะเราจะนิ่งให้ทำแต่วนอูก็ชวนมอวัวโตกิเลาครั้งเมาแล้วก็เรียกมาเลี้ยงขมันเป็นมะลุแล้วก็เอียงไหลครั้งที่ถูก้าวท่นไม่แตะมอวัวโตมอวัวโตก็เอามีดมีดมาเฉืนเนื้อลายออกแล้วก็เอายาใส่ให้ แล้วก็จึงเอาเข็นเย็บไว้คนทั้งปวงนี่ใครจะดูได้เรื่อกวนอู น, นั้นก็มีแต่ทาอยู่ดังนั้นนะ่ะก็เป็ความเก็ีดปวดนาะยยมแมนอนละเอาไม้หรือคมกิดมาเฉือนเนื้อผิดเป็นผิดบาดแผลนั่นออกเนี่ยมันจะเก็ีดปวดด้วยราบานใดอะ่ะกูนอูก็จะกด นิ่งให้หมวโโตะกระทำจนสําเร็จแล้วก็ลุกขึ้นร้องว่าเราหายเกิดไหมบัดนี้เราหายแล้วแล้วก็จึิงสรรเสริญหมอคนนี้ดีประหนิงเทวาดาก็ว่าได้หมอโอโตก็จรงว่าแต่ขึ้นมาแก้รักษาคนตัวมาในกุมารอยู่แล้วแต่ก็หาเหมือนท่านใหม่ อันควนอูท่านนี้น้ำใจทนทานต่อความเจ็บไม่สะดุ้นสะทืนเลยดีนะฝ่ายกูนอูนั้นครั้นหายจากความเจ็บแรงเนี่ยคื อ, อพิญยาถูกเฉียนถูกตัดยาพิษมันถูกตามถูกเฉือนเอาไปหมดแล้วนี่ความเจ็บปวดร้ า, รายนั้นตอนแรกก็หายไปอะ่ะก็ดีใจนะก็จึงเนี่นกย ก, ยนะกโตศุรามาเลี้ยงหัวโต กินโต๊ะตามสบายหมวโวโต้ก็บอกแกกวนอัวอันแผลนี้พื่งหายนะท่านจงระงับความโกรธไว้จนกว่าจะท่วงร้อยวันนี่พิเจาวพันเป็นแบบนี้พันนั้นให้ระงับความโกรธให้ได้ร้อยวันพิเจาวพันจึงจะหายสนิทกวนอั ก, ก็รับคํา แล้ก็กล่าวขอบใจแกหมอวัวโตหญางนพราะฟันให้เอาทองหนะักสามชั่นกับบิก๊กสิบมาทมาให้แกวัวโตเป็นบำเหน็จหมอ ว, อวัวโตก็จีวัดซึ่งขบเจ้ามารักษาท่านทางนี้แต่เห็นแกบำเหน็จหาหนี้ได้โดยขบเจ้าเนว่าท่านนี้ประกอบด้วยความสัตย์ซึ่อกินมาช่วยรักษาพยาบาลให้เพื่อไม่ให้เป็นอันตราย และซึ่งตอนน้บัมเบกเ ก, รกอร์ข้าวเจ้าข้าวเจ้าไม่เอาหรอกก็ขอคืนไมาให้ท่านหมอหัวโตว่าเท่มันแล้วก็เอายาปิดแผลไว้อีกและหมอหัวโตวก็ลาไป ในขณะนั้นมาชายที่ไปสู่ระช ก, การเอาข่าไเน่ไปทูนแก่พระเจ้านีองคือท่านโจมุ่งตีโชซึ่งอยู่ในเมืองหตว่าบัดนี้กองทัพที่ยกไปช่วยเมืองอ้วนเสียนั้นพ่ายแพ้แกกวนอูกวนอูนอ จ, จับเอาตัวอี ก, กินไปได้และข้าบางเต็กถึงแก่ความตายแล้วไพ่พลก็สิ่ง คือกองทัพที่ส่งไปช่วยดิบสิ้นหมดพระเจ้าวิอ๋งคือโจโฉครั้แนแกเงินก็ตกระภัยนะให้หาคุณนายพรงมาปรึกษาก็ดีว่าอูนอูนั้นเป็นคนดีมีวิชาธรรมะในการศึกบัดนี้จะจับเอาตัวอี ก, กินไปได้ซ้ำค่าบางเต็กถึงแก่กวามตายก็แล้วถ้าเขายกมารบเมืองเรา เราจะคิดยักย้ายหนีซะก่อนหรือหรือจะคิดประการใดดีดีโจโฉกล่าวเย็นนี้ถ้าจะว่ากันตามคําของเขานีแสดงว่ากลัวกลัวอู ม, มากหรือเกินหรือไรหรือจะกล่าวลงไปลึกซึ้งอีกประการนึงโจโฉหรือพระเจวิอ๋องที่กล่าวเช่นนี้ก็เพื่อติดใจดูสติปัญญาเหล่าฐานทั้งตัวงหรอ ก็คงจะไม่ผิดสูมาอีซูมาอีมาอก็ทูลทีเดียวว่าซึ่งอิกินเสียแก่กวนอูนั้นไม่ใช่จะแพ้ในขบในขบวนการรบอาณิได้แพ้เพราะน้ำมากอิกินหารู้ที่จะทำการไม่บัดนี้ก็จะเห็นว่าส่วนกวนที่อยู่ในการต่างนั้น หารจะชอบกันกันกบเล่าปีใหม่และซึ่มกวนก็จะไม่มีความสบายกลัวกวนปูจะยกไปตีเอาเดือนกลางตังเหมือนกันขอปรุงจงแต่งทหารให้ยุโยงซึ่งกวนได้มีความเกรงให้ยกไปรบเอาเดือนเกงจิ๋วถ้าซึ่มกวนได้เดืเกงจิ๋วแล้วเราก็จะยกไปที่กลางหลําเราก็จะยก เมืองกันหลานําข้างทิศต้ให้แกกวให้แกสุ่นกวนเป็นบำเหน็เห็นว่าเมืองอ่วนเสียนั้นก็จะพลอยรอดด้วยก็แผนการนี้เป็นแผนการซูมาอินเองละแต่เริ่มแรกนะ่ะให้กังตังมาปีเก่งจิวให้เราปีไปช่วยกนอูแล้วข้านี้โจโฉด็เลยยกทัพไปดีหันตงเฉยฉวนนะ่ะเอาแต่การยังไม่รู้่องไปดังทิศคิดวัด แต่สุมาอี้ก็ถืใช้แานโดยไม่ต่อไปอีกครัฝ่ายเกียวเกียวเจสมุบัญชีก็ทูลกับพระเจ้าวี อ, องวาซึ่งถ้อยคำสุมาอี้ว่านี้ควรอยู่แล้วขอท่านจงกระทำตามเถิดและซึ่งตัางคิดว่าจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นนั้นไม่ชอบพรายบ้านพรมืงจะเอืกกระเลิกเสียน้ำใจ โยช่วยได้ยินนันก็พิกเคราะห์บูก็ห็นชอบเบื่อคนนี้ได้ยัางย้ายทหารได้อย่างใดและคิดลองพูนน้อยใจอยู่ก็จริงว่าแต่ฐานน้นปนวปาอีกกินนี้ทำการศึกมาด้วยเราก็ช้านานได้ถึงสาสิบปีแล้วควรหรือมาพลาดแท้แต่ข้าศึกโดยง่ายชะนี้เราอันบางเ็กเป็นแต่ทหารมาอยู่ใหม่แต่ก็มีมานะทำสงครามจนตัวตาย เรานี้ขอบใจเขานะและโจโฉก็เขียนหนังสือให้ฐานถือไปถึ ง, งิ่งกวนในเมืองกังตัตามคำซูมาอี้ทุกประการน่ะและก็ปรึกษากับฐานนั้นเว่าผู้ใดจงยังอาสาแต่รบกับ้วนอูได้บ้างโจโฉประกาศหาผู้กล้าที่จะไปประจนมากับกวนหยุนฉางอู ในที่ประชุมคุณนานทั้งปวงนั้นคุณนางของพระเจ้าวีอ๋องโจโฉนะเนียบไปเป็นคู่ทีเดียวก็มีผู้หนึ่งลุกขึ้นยืนตรง n g g สีหลงสีหลงยอดานเสือของพระเจ้าวีอ๋องโจโฉ น, นี่สีหลงทู่กับข้าเจ้าจะขออาสาขม น, นันไปรก ปลอคณะเพื่อแทนคุณท่านได้จงได้โจโฉได้ฟังสีหลงว่างนี้ก็ดีใจก็จัดทหาไม่ห้าหมืนและก็ตัง้งลิเตรียมเป็นประหลัดทัพครั้นได้เรือดดีสีหลงก็ลาพระเจ้าจวิอองและก็ยกทัพไปตั้งอยู่ณตำบลทุ่งเอียงลบโถควรฟังข่าวคราวซึ่งกวน จะบอกมาโดยการใดแล้วจึงจะยกกองรับเข้าปีช่วยเมืองอ้วนเสียฝ่าขุนพลครั้งรู้หนังสือโจโฉแล้วก็ดีใจก็จึงให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปแก้งแก่โจโฉว่ซึ่งแค่เราไปปีเมืองเก่งจิวนั้น เราก็จะไปตีตามคำทัานคุณควรรับคำละเดี๋ยวหาคุณน้า ม, มาพร้อมกันป ร, รึกษากันหัวโจโฉเถอเราไปเตี๋ยวเงินกิงกินั้นผ่านทะเงจยนประการได้เตี๋ยวเตี๋ยวที่ป ร, รึกษาเท่าคนสำคัญก็จริงป่ะข้าพเจ้ารู้ว่าโจโฉได้ใช้อี ก, กิ่กับบางเต๊ให้ยกฐานไปช่วยเืองอ้วนเสีย ก็ผ่าแท้แกอ้วอูทั้งกองทัพหมานี้ก็เป็นแต่ว่าโจโฉนะี่ยคิดยอดทอตอกอ้วนอูอยู่และเึื่อที่เราไปตีเมืองกิงจิ๋วให้ได้แล้วว่าจะยกตาบลกังหลําให้แกเรานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าหาจริงไหมเดี๋ยวเจียวว่าอย่างนี้คือเชื่อไม่ได้คําพระเจ้าโจโฉพระเจ้าวิอองนี้เชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นเช่นนั้นแหละ เป็นความจริงอยู่ขุนกวนจะปรึกษากันยังไม่ไม่ตระหนกก็พอดีได้ยินว่าลีบองฝึนไปตั้งอยู่ดานลกเ้านั้นเด็กกลับมาด้วยเรือรสขุนกวนก็เยาหาตัวลีบองเข้ามาแล้วก็ถามว่าเจ้ามาเนี่ยด้วยเหตการได้ลีบองนี่ก็จึงบอกว่าเอออู ล, ละเมืองเก่งิีไว ยกกองทัพไปตั้งล้อมเมือนอ้วนเสียอยู่ทางไกลพบเราควรจะรีบยกฐานไปตีเงนเป็นกิ๋วเห็นจะได้โดยง่ายรีบบอกว่าอย่างนี้เพราะตนเองไปอยู่ใกล้ชิเกตการันด้านเก่เกกงจิ๋วเลยมาที่กลัวเด็กันแนี้ก็นเดือนชอบละใจต น, นมาคิดแค่นั้นอยู่ละเด็กความโกรแคนพระจ้รอปีละวนอู อ, อยู่ กวนอุาว่าเป็นชาสุนักเนี่ยแต่สื่งกวรก็แกล้งแกล้งว่ากับลิบลองคือลองใจลองเฉยอย่างปัญญาใกันก่อนว่าเราคิดจะค่ายไปตีเอาเมืองชีจิ๋วซึ่งเป็นเมือขึ้นแกโจโฉนั่นหนึ ง, นโโนนงดีกว่าท่านเห็นประการได้ลิบลองก็จังว่าซึ่งท่านจะไปคีเอาเมืองชีจิ๋วอยู่ข้างทิศเหนือ เป็นเงืองขึ้นของโฉโฉนั้นนะ่ะผู้คนก็น้อยก็เห็นพอจะได้อยู่แต่แต่แตข้าจเจ้าคิดว่าสิ่งจะยกกองทัพไปนั้นนะ่ะเป็นทางกันดารเดินบกก็จะลำบากแกฐานนั้นปวงและถึงได้เมืองชีจิ๋วแล้วก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ายกไปตีเอาเมืองเกงิงจิ๋วนี้ห็นจะดีกว่าดูว่าท้าได้แล้ว เราจึงค่อยคิดการต่อไปควรกระชุนควรได้ฟังลิบองบาดดังนี้ก็คือว่าเราก็คิดจะใครไปตีเอเมืองเกงจิวอยู่ที่เราว่าทางนี้จะแกล้งดูถีเจ้ามานี้เจ้าจงเร่งช่วยเราคิดราจการทีงจะไปตีเมืองเกงจิวก่อนแล้วจึงค่อยยกกองทับไปต่อภายหลังลิบองก็รับคําสุนควร แล้วก็กลับไปรักษาอยู่ยังนานลบเขาเพื่อจัดเตรียมการที่จะเข้าบทคดีเก่งจิวตามคำฟังของสุนหัวเร่อราวของสามก๊กในตอนนี้เอาว่ากันว่าระหวา่างอุนอูกระเบงเท็กอุนอุชนะเบงเท็ก แต่นีว่ากันทุกอย่องของพิงม า, ายวานดูก็ไม่ใช่ว่าเอาขึ้นเวทีแล้วก็ปะระลองกันจนกระทั่งเห็นดำเห็นแดงมันมีสิ่งต่างๆประกอบกันอีกหลายอย่างเราจะรลงว่าผู้นั้นเป็นหนึ่งผู้นี้เป็นรองผู้นั้นเป็นสองการอําดับกันอย่างนักมวยโลกเขาหนึ่งเป็นไปไม่ได้เอาบางเต็กถูกไปดูจับได้อะนายทุดก่ วลูก็สั่งัหัวไปเลยทีนี้มาพูดกันขั้นเหตุการณ์ความเมืองที่สำคัญโจโฉเนี่ยถ้าจะมองกันเป็นสองฝั่การนะครับพอได้ข่าวความผ้าแทนคนนี้กลัววอูมากทีเดียวละ่ะเพีงจะสั่งย้ายมือหีกันเลยอ่ะแต่ว่าอย่างนั้นจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะ นี่จะเป็นอุบายของดั่งโจมิงเตติอยากจะรู้ว่าใครจะมีสติปัญญาคิดแก้ไขเหตุการณี้ไปต่อสู้กับวนอูให้จงได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทิ้นได้ผมที่มาโดยสิหลงอาสาที่จะไปต่อสู้กับกวนอูล่ะนี่โดยแผนเดินของซมาอีเนี่ยบอกให้ยืนงานไปทางการฝหลาติเต็นกิว กันตัคือสุ้กวก็สงลิบบองกรีธาเข้าสู่เกงผิวมากติดตังตั ง, ตงจะเข้าบัคขยี้เกงผิวเนี่ยว่าแต่แก็มีสุ้ควรคนเดียวก่อนนะเป็น ผู้ตีผูกโรธขแขนมาราปีอยู่มากและก็แข่งเนอู่อยู่ซิติด่าว่าเป็นไอชาสุนัขเนี่ยแต่ว่าเกลียวเกลียวเนี่ยไม่เห็นด้วยและก็มาได้ลิดงนี่แหละมาจากด่านรเข้ามาชี้แกงให้สุ่มกวรทราบว่าตอนนี้อวนอูน่ะไปอยู่ทางนลกเสียง ส่วนทางเก่งกิวี่ก็ไม่ไดรว่างระวังรักษาละข้าพเจ้าจะจาอาสาการเนี่ยสุ้มกนไม่ได้แรงขนาดนุน้นนจากลิบดงเนี่ยก็จึงส่งลิดงไปเลยทีเดียวลิบดงกลับไปยังโลกเขาฝ่ายมาใช้พอรู้ว่าลิบดองกลับมาแล้วก็เอาข่าวเข้ามาบอกว่าแบบนี้นี่เก่งกิวเนี่ย คิดอ่านทาการให้ตั้งร้านไฟเรียงรายไปตามลำแม่น้ำห่านกันประมาณส0เส้นบังส0เส้นบังมีคนรักษาร้านไฟอยู่นิ่เด้ยวขาอีกทั้งทหารในเมืองจะเปลี่ยนได้เป็นปวดขังนี่มาใชา้ามารายงานริบองให้ทราบอย่างนี้คือกวนอูนวางแผนป้องกันเมืองเกงจิ้วไว้ เขาตระวอย่างดีเหมือนกันหรืบองรู้ข่าวนี้เขาก็ตกใจทีเดียวเ็าจึงรำพึงหวาซึ่งเราได้ว่ากันสุนเลยว่ารับที่จะไปตอเมริกเกนิ๋วให้จมได้นั้นบัดนี้ทหารเขาก็กลัเรีนมั่นคงอยู่ซึ่งเราจะไปทางการครั้งนี้คงไม่ได้ เราจะคิดว่ากล่าวแก้ตัวกับสุ่มกลัประกรันใดอ่ะจงจะพ้นความนี้ได้ล่ะลิบงวันวาดวันไหวต่อการป้องกันภัยของกูนูที่ให้ความไว้วางต่อเป็นจริงว่อย่างมั่นคงเช่นนี้ลิบงวันไหวทีเดียวนายผจิวกบายให้ทหารไปบอกไปสุ่มกลัวล่ะบนี้ลิบบงตัว อ, อยู่ แย่อาการกร็ไปอย่านี้ฝ่ายสู้กลครขันทหารมารายงานว่าลิบองเปล่ยดังนั้ น, น, นก็ให้มีความไม่สบายเลยลกซุ่นลกซุมาหารหลวงปู่นีจะเป็นคนสมคัญทีเดียวลกซุ่นเนีได้ข่ามาสั่นซุ่กลัวและก็พูดว่าซึ่นลิบองบอกเปล่ยนั้นเป็นอุบาย ต่าจเห็นว่าหาได้ป่วยจริงไหมมีลบสุ่นเขามายาวย่างนี้สุ่นควรก็จินว่าที่จเจ้ารู้ลิดองแป้ง่วยนั้นเจ้าจึงทาไปเยี่ยมด้วยรู้เม่ิลกสุ่ง น, นั้นก็ลาลิกอลาสุ่นปวนไปทีเดียวไปยังข่ายรถเขาแล้วก็เข้าไปหาลิบองก็เห็นว่าลิดงหนะ้าปกติดอยู่หาได้ป่วยจริงไหม ล็กซึ่งก็จิงบอกมิบอกราบัดนี้ซึ่งควรใช้กบจรมาเยี่ยนพันว่าท่านปนะเปืยน่ประการใดฤทธก็กล่าวว่าที่กระจรเปื่อยครังเนี่ยก็ไม่สุจริหนักนักรล็กซึ่งก็จรงว่าซึ่งซึ่งควรสั่งให้ท่านระเตรียนทาการที่จะไปเตียวเนืองเก่งจิ๋วนั้นนะเหตุใดท่านจึงนิ่งอยู่จะคิดประการใดฤทธิ์ง เด็กฟังโลกสุนพูดดังนั้นก็แสดงว่าโลกสุนรู้เท่าทังเตนหมดแล้วก็แลดูตานลกสุนแล้วก็หิ่งอยู่ไม่รู้จะตอบอย่างไรลกสุนก็ถืว่าขบเจ้ามียาาขนานหนึ่งจะรักษาการป่วยไข้ของท่านให้หายได้แต่ว่าท่านจะให้ขบเจ้ารักษาหรือไม่ล่ะลิบดังได้ยินลกสุนว่านั้นก็จริง รู้ละว่าตอนน่องมีการเจรจาความรับผิดทุกอย่างหนึ่งก็จะขับพาท่านพงษ์ที่อยู่ใต้ออกไปเสียแล้วก็ถามว่าท่านจะรักษาขบเจ้าริญยาสิ่งใดละ่ะลกสุนผู้ปัญญาไวาคนนี้มายฐานหนึ่งของซึ่มกวนคนเนี้ปัญญาไวาสามารถอีกทีเดียวทั้นที่เป็นคนหนึ่งไม่ได้มีชื่อในสารระบบโรคที่สำคัญไปอย่างไดเลยล ลูกสุ น, นี่ยเมืบองผู้หญลูกสุนก็หวรเะแล้วก็ถึงว่าซึ่งความเจ็บของท่านนั้นน่ะก็ด้เหตุเกิดขึ้นวัดเมืองเกลียวเขาประเตรียมการทหารป้องกรรบบั น, นรัฐบาลเมืองปลุกร้านไฟร้ายทานตามมาแม่น้ำเกิดเป็นการป้องกันบ้านเมืองเขามั่นคงอยู่พันจินวิตกดการสิ่ง น, นี้ขบจมีอุบายสิ่งนี้ อาจจะให้ฐานเงินเกลียวสิ่งทำการรักษาเรืองนั้นนะ่ะให้มาประนอมด้วยท่านี่ให้ต้องลำบากเลยมันเห็นแบบการใดรีบมีงวิญวกซุ้นวาอย่างนั้นเหมือนกับควักใจตัวออกมาแผ่ดูรู้หมดนี่รีบซุ่นร่องรู้ความในใจรีบมองหมดอย่างนั้นรีบมองว่ตกใจทีเดียวเหมือนกันแหละก็จึงถามว่า คว่งอุบายของท่านที่จะคิดให้ชาวเมืองเก่งจิวมาประนอมด้วยเรานั้นนะ่ะท่านได้อุบายประการใดหลอกซึ่ง ก, ก็ตอบว่าซึ่งเมนเก่งจิวปราเปลียนทหารระจัดแจงเมืองไว้ทางนี้เพราะกวนอูคิดวิปกอยู่ด้วยท่านนำกำลังทัพมาตั้งอยู่ที่นี่อ้วนอูจินไม่ไว้ใจ ถ้าท่านรู้อุบายโดยทำเป็นเปื่อยไข้แล้วก็ไปเข้จาจัดที่นิ่และจกกัดใจให้ผู้อื่นมาอยู่แทนแล้วให้ผู้สรรเสริญกวนอูต่างๆกวนอู ก, ก็จะทะ น, นงใจก็จะอยืมรบเอาเงินเอื้ อ, อเสียให้จงได้ไม่คิดระวังหลังคือไม่ระวังเกง่งเกี่ยวและเมินระหึ่งกวนอูกเคิประมาทใจแค่นั้น เราจรึงไดคิดวกไปปีอมื่นเป็นกี่ก็จะได้ดไดโดยง่ายลกซุ่นอธิบายฟาร์มลิปแบ่งเลขแก้งก็ดีใจจึงว่าแกลกซุ่นว่าอุบายของท่า น, นดีๆนะหนาะิบอกมันก็ทาเป็นป่วยอยู่อย่างนั้นให้ลกซุ่นเอาหนสือไปแจง้งกระชื่นคลัวว่าบาัดนี้ด้วยเจะเก็บป่วยอยู่ ก็จะขอลาออกจากตําแหน่งพี่แล้วบอกลาเลยโลกสุ่มก็เอาเงินสุ่มนั้นมาแก่งไปสุ่มกวนสุ่มกวนแก่ไปนั่นก็เรียกหาตัวลิบบงกลับมารักษาตัวลิบบงก็กลับมารสุ่มกวนสุ่มกวนก็คิดว่าแต่ก่อนกีนี่นะ่ะมาว่าให้เราตั้งโลโซกออกไปอยู่ที่ด่านลกเขาเพราะอยู่โลโซ ก็มาบอกว่าให้ปั้งตัวท่านเนี่ยไปอยู่ที่หนามลกเขา้าและมาแบกนี้ท่านฟิตป่วยอยู่ก็ควรที่เราให้คนดีมีสติปัญญาออกไปรักษาหนามลกเข้าแทนตัวท่านลิบดองก็งว่าซึ่งท่านใช้คนดีออกไปอยู่รักษานั้นอุวนอู ก, ก็ีิ่จะระมัด ร, ระวังตัวจะให้รักษาบ้านเมืองเป็นมั่นคงไว้ ลกสุ่นทหารหนุ่มผู้นี้ยังหาปลาอดชอรีชาไม่แต่ลกซุ่นผู้นี้มีสติปัญญาขอท่าจะให้ลกซุ่นเนี่ยไปรักษาดานลกเขาเถอะเห็นลออกอานอรจะไว้ใจจะได้ไม่ระแวงไม่ระวังหลังก็เห็นจะได้เงือนเก่งเกิวดังความปราถนาวิ บ, บังี้ เป็นผู้ไม่เกรงบ่อความที่เพื่อนตนจะได้มากเกินตัวจึงขนาดผลล็อกสุน่นขามฝ่ายซุ่นควรเด็กฝนนี้ก็ดีใจก็ตั้งลกสุน่นเป็นแม่ทัพฝ่ายซ้ายไปรักษาไข้ล็อกเข้าแทนฤทธิ์บองลกซุ่นก็จึงว่าขาบเจ้ากันเด็กมุมยังหามีความเรื่วิชาติง่งใดไม่ซึ่งที่ขบเจ้าไปอยู่รักษาไข้ล็อกเข้านั้น เห็นมิบังควรสิ่งควรก็ดีว่าลิมองเขาบอกไปเราว่าเจ้านี่แหละมีความคิดลึกซึ้งเห็นจะได้รัชการอยู่จะได้มีครูไปเลยลกสุ่นขาดมิได้ก็รับเอาตราตำแหน่งของต้นนั้นแหละคือได้รับกันแต่ตั้งเป็นแม่ทัพสายซ้ายอ อ, อกไปรักษาท่ายลกเขา เป็นอาหารก่าวมีชื่อมีเสียงมากกวนอูนั้นก็ไม่ประมาทให้มีการป้องกันรักษาเมืองเป็นอย่างดีแต่โรคสุนิเป็นทหารใหม่ชื่อเสียงไม่ปรากว่าโรคสุนเดินไปอยู่แล้วเนี่ยก็ให้คนถือหนังสือและขึ้บนบรรณาการไปถึงกวนอูว่ามาดมีสุนควรในกระเจียออกมารักษา่ายลกเขาแทนลิบองกระเจ้าขัดนิดหน่ก็ออกมาอยู่รักษา ขอท่านจนเป็นที่พึ่งแก่ข้าบเจาบ้าด้วยนี่หนอกมองไปเถิดตามแผนการของตนแหละเวนอูนั้นก็ถามผู้ถือหนังสือสิเดีย ว, วะ่ะลิบงซึ่งอยู่อ่าฮี่อยู่รักษา่ายคนปอดน่ะไปไหนห่ะผู้ถือหนังสือก็บอกว่าลิบงนั้นอนะ่ะเปือยอยู่ขจึงให้ลบสุ่นออกมารักษาการแทนเวนอูนก็จีบว่า ซุ่มกลัวคนนี้ก็เป็นคนดีเหตุที่ไหนจริงใช่อ้ลูกเด็กออกมาดังนี้มีคุณวอู ก, กล่าวจนนี้ผู้ถือหนังสือก็พูดว่าลบอกซุ่มเยกรบเจ้าถือนังสือกับสิ่งของทั้งตัมาทำนับท่านขอท่านท่านสงกว่ายเป็นไมเกรีแก่กันขอท่านจะได้รับเอาสิ่งของทั้ง น, นี้ไวเ้เถิดวันไี้เด็กควงข้อความดังนี้ก็เรียกล็อกซุ่มเนี่ย เร็วกว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวเามาหาตนส่งสิ่งของในมื อ, อมาฝากฝังตัวอ้วนอูก็หัวเราะและแผงทหารรับสิ่งของทั้งปวงว่ะผู้ช่วยผู้นี้ก็กลับไปบอกแบบอก่โลกสุ่น่ะวนอู ม, อมีความยินดีนะเห็นจะไหวใ จ, วใจหาเกรงกลัวขึ้นตังตังจะไปตีเก่งจิ๋วไหมมีก็เป็นตามแผนโลกสุ่นทีเดียวถือเราก็ทําการให้อวรอูตายใจนั่นเอง ลกสุ่นเนะ่ก็ดีใจก็จัดแจงแต่งฐานไปสอบแหม่มดูก็รู้ว่าในเมือง็จจิ๋วแาบนี้นากจมีการปรัเปลียนให้พระพร้อมใหม่และก็ยกฐานเปลียนที่จะไปลบเมืองเอื้อนเสียแต่ประการเดียวแหละและก็อีกประการนึ่ก็คือ ว, ว่ า, วาอ้วอเนี่ยจะยับยังให้แผลหายสนิทก่อนจึงจะยกข้อเอาเมืองเอื้อนเสียลบซุ่มนั้นก็ก็ เ, กเนืความทั้งเปลเนี่ย รายงานที่ใายแกสุ่มควรเห็นการตั้งได้แก่สุ่ควรเห่นการตั้งไม่ได้ทราบรายงานแต่ลกสุ่มก็ปรึกษาใจลิบบังวะบัดนี้รวมอูก็หาแครงใจแกเราไม่ ห้ยกฐานพุ่มเติมไปตั้งใจจะตีเอามืออ้วนเสียให้จุ่ได้ก็เท่ากับทิ้งเกงจิ๋วไว้ว่างเปล่าเราคิดว่าจะให้ท่านกับสุนเกียวมือของอาเรายกไปตีเอามืงเกงจิ๋วตั้งเหตุการณ์ได้วิบังก็จินว่างสุงท่านแค่ ส, นสุนเกียวกับขา้าวใบเาไปทำการด้วยกันนั้น ขบเจ้าเห็นว่าจะขาดกันอยู่แม้ท่านได้สุน บองเป็นแม่ทัพหลวงแต่ผู้เดียวให้เป็นใหญ่กว่าทหารในแว่นแหวนเมืองต่างๆสําหรับคิดการฝึกทั้งเปรยนี่ไม่ใช่ว่าเข้ากันแล้วก็ตั้งส่วเกี่ยวเนี่ยให้เป็นมายทหารกองสเสบียนอยู่ในบังคับของรีบองลีบองก็คำาับสุนกวนบาดในกองก็มีสระมีอำนาจมีหน้าที่ที่จะกระทาได้เป็นทิ้งทีละรีบองก็มาจัดแจงฐานสามมืน่น สุดไว้ในเรือ8ปสิบรัมแล้วก็ให้ทหารที่ทำ ม, มาในการเรืออนะใส่เสื้อขาวเพื่อทำเป็นประเภทบุกคาวานิธรรมดาสำหรับแกวเรือแล้วก็ให้หันตงกีงไทกิ้งขินจูเทียนพัวเทียนชีเซเต็งหองมีไม้ฐานเก่าทั้งเจ็ด เรื่การที่จะยกไปรบเมืองเกียงจิว่วทหารทตะวันที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ไปในทัพเรือนั้นรีบองก็จะได้จับเป็นกองทัพหนุนให้ไปกับสุ่มป้วนมีรีบองจักแจงคนเลวเลยครั้งจับแจงทหารตะวัน เ, เสร็จแล้วจึงได้รีหนสือไปถึงโจโฉ ถ้เรยกกองทัพวกไปตีกวนอูสิ่งขณะนี้กวนอูตั้งทัพยอยู่นักมืออ้วนเสียให้โจ่วยกทัพไปตีกวนอูให้ได้แล้วก็ส่งถามให้ไปบอกความนี้แต่ลกสุ่นที่รักษาค้าอยู่ตําบลลกเขาอะว่าบัดนี้การซึ่งคิดไว้นั้นเราปราบเรียนกองทัพได้เสร็จแล้วให้ทําเร่งจัดแกงการได้พร้อมเถอะแล้วก็ยกทัพเรือไปตาม ที่ร้านมีร้านไฟยกทัเพเคลื่อนเข้าไปทางตำบลแห่เขาเมื่อกองเรือของลิบองผ่านเข้าไปมันมาทหารชาวด่านนี่ก็ร้องถามว่ามาแต่ไหมทหารของลิบองแต่ตอนนี้ไม่ได้แต่งตัวเป็นทหารทหารของลิบองก็บอกว่าเราเป็นลูกค้าสมเพา เรือเราถูกพายุซัดเข้ามานี่และลิบบงแม่ทัพนี่แหละแต่ก็กระทาเป็นมิใไ่แม่ทัพกระทาเป็นเป็นแค่เพียงไายสำเภาให้เอาสิ่งของขึ้นไปทหารที่รักษาร้านไฟเหล่านั้นน่ะบรรดาทหารของกวนอูที่ให้อยู่รักษาร้านไฟเหล่านั้นก็เชื่อว่าเป็นพวกพ่อค้าวานิชูสำเภาค้าขายจริงคอยจอดเรืออาศัยอยู่ที่นั่นแหละ นได้รู้เลยว่าข้าศึกมาถึงที่แล้วมาตรของตนจะต้องส่งข่าวคือถ้ากลางวันก็จะต้องสุนไฟให้มีควันแจ้งเหตุถ้ากลางคืนก็จะต้องก่อไฟให้เกิดแสงสว่างให้ร้านไฟต่อไปได้แจ้งเหตุเดืรู่เหตุแบบนี้ข้าศึกเข้ามาถึงร้านไฟของตนแล้วแต่ก็น่ได้รู้ นี่ด้วยความพระมาทไม่ไดรวนระวัเแต่อย่างใดละครั้งเวลาประมาณทุ่มเสร็จี้ บ, อบอ้องก้อยทหานที่มาในเรือแหละขึ้นล้อมจับทหารที่อยู่รักษาร้านไฟนั้นลงเรือหมดสิ้นเรียกว่ายึด้านไฟได้เลยและให้แกเรือเข้าไปจนถึงเมืองเกิงจิ๋วในเวลากลางคืนวันนั้นเอง พูดใดจะได้ร่วงลิบบองยกกองทัพเข้ามาก็หามีได้และลิบบองน่ะก็ปลอบเอาใจทหารที่จับมาได้จากร้านไฟนเหล่านั้นแหละวัดท่านก็นอยู่ทำราชการด้วยเราเถอเราจะปูนบำเหน็จให้แกท่านถึงขนาดทีเดียวแลว้วให้ทหาเรเหล่านี้เข้าไปเรียกชาวเมืองเพื่อนกันให้ เ, เปิดประตูเมืองรับฝ่ายทหารชาวเมืองไม่ทันสคำว่เาเป็นข้าศึกเลย คือไม่ได้รวะรวังระวังแม่รู้ตัวเป็นฆาตศึกคิดว่าเป็นลาวเพื่อนกันมาร้องเรียกกันก็เปิดประตูรับหรือบองการหนึ่งประตูเมิวเปิดดังนั้นข้อยทหารโอ o w ร้องเข้าไปเอาไฟจุดขึ้นก็หาผู้ใดในเมืองจะสู้รบมีได้หรือบองก็เขยยึดเมืองเกงจิ๋วได้โดยง่ายหรืบอบ้องก็เป่าเรืองแต่กองทัพตั้งเกรงว่า คือเป่าร้องแก่ฐานของตนดีว่าถ้าผู้ใดบังอาจฆ่าฟันและริบราชมา ส, สิ่งของของชามเมืองให้ด้วยความเดือดร้อนเราจะเอาโทษแก่มันุษย์นั้นให้ถึงตายนี่ออกคำสั่งแก่ฐานของตนและบรรดาขุนางทร้งวงในเมืองกันจิ๋วนะให้คงอยู่ตามตำแหน่งและบุตรภรรยาของขุนอุนั้นให้พิพักษาไว้ยจะมีผู้ใดทำมันต่ายได้ลิบมอง ขันได้เงินเก่งเกียวแล้วก็จะให้ฐานถือหนังสือไปบอกแก่สุ่นกวนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าปีเงินเก่งเกียวได้แล้วขอเชิญท่านยกกองทัพมาเถิดเป็นอันว่าเก่งเิวเสียให้แกกังตัง โดยลิบงเป็นผู้เขายึดเงินเกงจิ๋วได้เ่าได้ลึกอิทธิการหนึ่ผู้วางแผนเอาเงินเกงจิ๋วได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยมันก็คือล็อกซึนนายทหารหนุ่มผู้มิปราอดชื่อมิริบองเข้าเกงจิ๋วยึเกงจิ๋ได้และริบองก็กระทําการอย่างดีด้วยออกคําสั่งแงปปก่ทหารแต่บัคบัญชาของตไม่กระทาร้ายแก่รัฐดอนชาวเมือ คุณนายในมืองนี่ยก็อยู่ตามตำแหน่งบุตรยาคุณก็รักษาไว้ยอย่างดีอ่ะวันลีบบงก็ขี่ม้าออกไปเที่ยวตรวจตราดูบ้านเมืองก็งมีฝนตกหนักก็มองดูเหตการู์เห็นทหารผู้หนึ่งเดี๋ยวถามมีการๆป้ า, าบัตรบัญชาผมตนเองเนี่ยเข้าไปชิมข้าวของชาวเมืองลีบบงก็จินให้พาตัวทหารพวกนั้นมาแล้วก็ถามว่ามึเป็นพวกไหนเนี่ย ี่นี่มาจะทำแับนี้ทาหารผู้นั้นก็ก็บอกว่าข้าพเจ้าก็เป็นพวกท่านน่ะมาในกองทัพของท่านซึ่งข้าพเจ้าช่วงทิงเข้าของเนี่ยก็ไม่ได้ช่วงทิงแย่งเอาพัสดุสินของเงินทองใดก็เอาแต่ร่มร่มหบวกเรีร่มบวกนะครับข้าพเจ้าเอาแต่ร่มบวกจะมักกั้นฝนเท่านั้นลีมบอกปฏิวัต เราได้ประกาศไว้แต่วันเข้าเมืองเกงจิ๋วแล้วว่าเนี่ผู้นายเบียดเงืองแกมาประจ่ารัศาดรให้ได้รับความขัดเคืองและเจ้ามากระทําแบบนี้โทษ ถ, ถึงตายทหารนี่ก็จึงบอกว่าขบราชเจ้าคิดว่าเสื้อกรอกนี่จะเปียกก็จึงจริงเอาร่มมา ก, กั้นทางนี้โทษขบราชเจ้าผิดอยู่แล้วก็ขอท่านเป็นนดัดโทษขบาชเจ้าสักครั้งหนึ่งเถอะ บองก็มิฟังคำร้องขอของเจ้าหารผู้นี้ฟังให้เอาตัวไปฆ่าเสียแต่แล้วบองก็กลับคิดสงสารทหารผู้นี้ก็ที่นี้เอาศพมันไปจัด ก, การฝังไว้แต่ผลที่ิมองได้เคะทำไปแล้วเนี่ยทหารทั้งปวงเนี่ยเห็นนี้แบ่งทำโทษเอากีแต่ทหารใต้บังคับบัญชาเช่นนั้นถึงตายเลยเนีย่ทุกคนก็หวกลัวต่ออาญาณนะ หามีผู้นาแก่กล้าที่จะ ก, กระทําอันตรายคุณเห็นกับชาวบ้านชาวเมืองจะประการใดไหมผลจากการกระทําของลิบมงนี่คุณดูว่าการกระทําริงเนี่มันเป็นคุีแก่ตมและเป็นคุณแก่บ้านแก่เมืองฝ่ายสุ่มกวรครั้งได้แจ้งข่าวว่าริบมองได้เมืองจริีว่แล้วก็ดีใจ ดยการติดตามมายือนเมืองเกงจิวลิบบงรวซึมควรยกมาถึงแล้วก็ออกไปต้อนรับกำนับเชื้อเชิญกลับมาในเมืองซึ่งควรก็ติตั้งผู้เ ย, ย้ยให้เป็นผู้รักษามเมืองเกงจิวแล้วค่อีกเอาตัวอีกกินออกจากคุกส่งคืนไปเมืองฮูโตอี ก, กินนี่มาพร้อมกับบางเตกไงที่มาร่กับอุนอู และแพะอ้วนอูอีกิมยอมสาิพัดประกวนอูปรวอูส่งตัวมาขังไว้ในคุกมืงเต็งจิวเนี่ยเมื่อสุ่มกวนเข้าเต็งจิวได้ก็อเอาตัวอีกิมออกมาแล้วก็เอาส่งไปเมือูโตคือส่งให้โตโฉเละมีแสดงว่ากานตังกับฮูโตสุ่มกวนกับโจโฉเป็นมิตรไมตรีกันแล้วอย่างดีการาปิดกาบทกยี่ลาปีแห่ง ควรคนจะไม่อยากเย็นนะจากนั้นสุนเกลียก็จะทำการต่อไปโดยเกียกล่อมมันาประจารปรดอนทั้งตัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเรี้ยงดูมนันเม็ดแก่ฐานนั้นตัวตามที่มีความชอบเสร็จแล้วสุนเ ก, กลียก็จะริบบอกว่าบัดนี้เราตีมือเป็นจริงได้แล้วซึ่งเป้าสูงญิงมาตั้งอยู่ในเมืองกลางอังมีฮอง ตั้งอยู่ในเมืองลำกุมนั้ น, น, น, นมีสองทหารของเราปี๋ยสุนควรบอกว่าเราจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้เมืองทั้งสองนี้จีหวนจีหลวนได้ยินดังนั้นก็ถึงว่าท่านจะคิดเอาเมืองตังอังซึ่งเปาสูหิงรักษาอยู่นั้นข้าพเจ้าจะขออาสาไปเอาได้ลมปา่า มันยอมด้วยท่านโดยง่ายนิ่พักแค่ต้องรบด้อยากประมาทแกถานทั้งปวงเลยมีกีหลวนคนนี้อาส า, ศา้อย่างนี้จะไปเอาด้วยลมปากตอนนีน้จะไปพูดเอาเมือได้ดายส่งควรก็ถามกีหลวนว่าซึ่งท่านจะไปเอาเมือกลางอังได้ได้โดยลมปากนั้นนะ่ะอุบายของท่านเป็นประ ก, การใดกีหลวนก็จรงว่าคือว่าขบเจ้ากับเป้าสูญหญิงคนนี้ ให้กันมาแต่น้อยเป็นที่ไว้ใจแกกันอยู่เขาปตะจวจินคิดเห็นว่าจะว่ากล่าวเปรียบกลอมด้วยอุบายต่างๆก็เห็นจะเชื่อพี่จะมัเข้าด้ทยทางสุนกวนด้วยานีก็จินมีใจก็เกณฑ์ฐานได้แต่จีหลวนเนห้าร้อยจีหลวนนั้นก็อคำนับราสุนกวนยกทหารจำนวนห้าร้อยนั่นน่ะไปยังเมือง ฝ่ายเปาสูหยินก็ต้องรู้ข่าวละเมืองเกงกิ๋วยื้เสือแต่ข้าสุดแล้วเนี่เปาสูหญิก็ไม่ไว้ใจให้ทหารกระเตรมขึ้นฝากระวมไปปิระตูเมืองก็สมมั่นอไวข้างฝ่ายจีหลวนเมื่อมาถึงเมืองกังอ๋ง เห็นประตูเมืงปิดมั่นคงอยู่แต่เข้าไปในเมืองก็ไม่ได้พขาเขียนหนังสือผุงก็พันแล้วก็ยิงเข้าไปในเมืองหวังให้เป่าสูหญหินรัว่วฝ่ายฐานของเป่าสูหญหิงเห็นหนังสือดังนั้นก่อนหนังสือนั้นไปให้เปล่าสูหญหิงดูใจความในหนังสือนั้นว่าเราชื่อจีหลวนมาหาท่านโดยดี มี้ื่อนกวนที่เป็ น, ปนมายของเรายกทหารมารกเอาเมืองท่านเรานี้คิดถึงท่านนะเดินว่าได้เป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่เล็กๆอยู่เด็กกันนั้นจึงว่ากล่าวอ้อนวอนมายเราไว้ไม่ให้ยกทหารมาและบัดนี้เรามาว่าท่านให้เร่งไปสมัครอยู่ในนายเราโดดีเถอะก็จะไม่มีอันตราย สูได้แจ้งความในหนังสือของจีนวนังนี้แล้วเนี่ยก็คิดรำพึงกนเดียวว่าอ้วนอูกับเราเมีความพยายามกันอยู่ก็เมืครั้งอนอูแต่งตั้งให้เราเป็นแม่ทัพพร้อมดีดฮองที่จะยกไปรบเมืองอ้วนเสียเนี่ยพอราตั้งทัพอยู่หน้าเมือแล้ว โทเราเป็นผิดโดยตีเราให้ได้รับความเจ็บอายนะแล้วก็ยังว่าจะฆ่าเราเสียให้ได้เมื่อเสร็จสุกบัดนี้ควรที่เราจะไปสมัครอยู่ในสุ่มกวนเถิดเห็นจะพ้นภัยจากวนปูเปล่าสุยินคิดดังนี้ทีเดียวก็จำเป็นต้องคิดอย่างนี้แหละผิดที่ตงกระทำไว้นะ่ะบอกผิดมัก มเสสตัวกันอยู่จนเพลินไม่คายสูญเสียเสียทหารแต่แรกที่จะยกทัพออกไปนะ่ะวัวนอูน่ะโกรธมากจะสั่งทหารให้ทั้งคู่แล้วไม่ตอนนั้นแต่มีแหละเมื่อมาเหตุการณ์ประโจกันเข้าดังนี้กีลวงมัเจราจาชัดชวนเข้าชนี้เปาสุยินิงก็จึงสั่งทหารให้เปิดประตูเมืองรับตัวกีลวนเข้ามาแล้วก็ทำมาเป็นตามประเพณี ที่หลว่ก็จว่าอันสุ่มกวนมายเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำใจอารีกแกท่านนะถ้าผู้ไดมีสติปัญญาเชี่ยวชาญในการสุดก็จะปูดบำเหนรางวัลต่างๆอันพระคุณนั้นหามีผู้ใดเสมอไมเปล่าสุวินได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงสมัรไปเมืองกน๋จิวกับกี่หลวน ขัน ร, รู้ขา่าวเปล่าสูญินสมัครมาอยู่ด้วยก็ดีใจเพื่อนวัดวบบกีหลวนใช้ลมปากไปเอามือกลางอ่านได้สำเร็จตันเองแหะสุกวนเนี่ยตัดตั้เปาสูญินให้ทำราชการคงที่อยู่ดังเก่าแหละขันอยู่มาริบองก็เกิดสิดว่ากับสุกวนว่ะอันตัวก้วนอูนนะเราก็ยังจับ ได้ไหมแต่ท่านจะให้ตั้งเปาสู ญ, ญินให้คงที่อยู่ดังกล่าวนั้นเห็นว่าเปาสู ญ, ญินจะไม่ทำํำราชการโดยสุจริตโดยยังต้องหวาดเกรงต่ออำนาจของกวนอูเขาอยู่ควรที่ท่านจะให้ไปให้เปาสู ญ, ญินเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมนิบงซึ่งต่างรักษา ม, มีนําำกลุนอยู่นั้นให้มาสมัครอยู่ใก่ท่านด้วย กวนอูก็เห็นชอบด้วยกาับออกไปกับสุ่มกวนซุ่มกวนก็เห็นชอบด้วยก็จึงให้หาตัวเปาสุยินเข้ามาแล้วก็พูดว่ามีฮองซึ่งอยู่เมืองลำอุนนั้นก็เป็นคนชอบพอกันกับท่านท่านจึงเร่งคิดอ่านไปชักชวนเอาตัวมาเข้าเบราเราจะปูนบำเหน็จแก่ท่านเปาสุยินก็รับคําสุ่งกวนแล้วก็ลาขึ้นมาไปเมือง้ําอุนพร้อมด้วยทหาร ประมาณสิกมากไปกับทหารมาจะมุสิกงขฝ่ายบิฮองบิฮองก็รู้ขา่าวเช่นเปาสุญินรู้ว่าวงเงินเกงจี๋ได้เสียแกสุ่มควนแล้วเนี่ยบีฮองก็ตกใจก็คิดการรักษาเงินล้ำคุมของตนไว้มั่นคงก็พอดีทาหารเข้ามารายงานว่าเปาสุญิงจะเข้ามาหาบิฮองก็ให้เชิญเปาสุญิงเข้ามานั่งนั่งเถียงสมควรแล้วก็ถามว่า ท่มาหาเราน้า บ, บัดเนี่ยดูยราชการอันใดเฝ่าสุญน์ก็แจ้งไปตามความจริงหว้าบัดเนี้ยสุ่งกวรยกกองทัพมาตีเอเมรเกงจิวได้แล้วเราเห็นว่ากําลังเขานิ่ ม, มากจะยกไปต่อด้วยเขาก็มีได้เราก็จึงสมัครเข้าเด็กกับเขาแล้วอันที่เจ้าเราปีนั้นนก็มีพระคุณแก่เราเปน็นอันมากแต่ครั้งนี้ก็จมใจอยู่แล้ว นี่เข้าเดยเขาแต่ก็จำต้องเข้าท่านเดี่ยจะคิดประการใดเป้าสูยหญิงเข้ามาเปลียบกลอบโดยเอาตัวเองเนี่ยออกเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคุณต้องยอมบีห้องด้ฟังว็จริงว่าตัวเรานะ่ได้กินามาำพิพัฒสัจจาเป็นข้าในพระเจ้าเราปีแล้ว จะสมัครไปเข้าดุสุนกวนนั้นมีบางคนปา้าผู้หญิงก็จึงบอกว่าเมื่อครั้งก่อนเรากับท่างก็กระทำความผิดไว้ได้วยกันแต่ครั้งกวนอูให้เป็นแม่ทับทั้งสองนำทับไปตั้งยู่หน้าเมืองและเกิดเพลิงไหม้มันนะเพื่นลืมแล้วหรือเราต้องโทษกันฉันใดถูกเขี่ยนถูกบยเขาได้รับความเจ็บปวดอับอายแค่ไหน และอ้วนอูนอะ่ะก็ยังฆ้าโทษแกเราไว้อีกว่าถ้ายกทัพไปตีมืออ้วนเสียสมยงมีชัยชนะกลับมาแล้วจะฆ่าเราเสียมะครั้งนี้เห็นว่าเราทั้งสองนี่จะไม่พ้นตายพันจงพิเคราะห์ดูเถิดป้าหูหญิงก็ว่ายัางนี้ดีฮองก็คิดว่าอยากที่น้องเรา ก็ทำราชการมาช้านานแล้วซึ่งจะคิดโคบไปเข้าดิค่าสึกนั้นก็หารู้ที่จะคิดเช่นนั้นได้ไหมบิ้องไม่ยอมขณะนั้นก็ปริานกวนอูเนี่ยเขามาแจ้งขอราชการว่าท่านมาอยู่พร้อมกันทั้งสองคนนี่ก็ดีแล้วบัดนี้กวนอูให้ท่านทั้งสองเมืองเนี่ยจะข้าวปลาสวรเียอาหารให้ได้ หกร้อยเกวียนแล้วให้ท่านทั้งสองเดือนเนี่ยคุมเอาสเสบียงหกร้อยเกวียนไปส่งให้ถึงด่านอย่าให้ช้าถ้าช้าช้ามิได้การจะเอาโทษท่านถึงตายมีคาสั่งจากโกนู ม, มาอย่างนี้ฝ่ายบี้องครั้นแจ้งดังนั้นก็แลดูหน้าเปาสุญหยิ้มซแล้วก็จึงว่า บัดนี้เมือ ง, งเก่งจิวซึ่งกวงเขาก็ตีได้แล้วซึ่งเราจาข้าปลาทะเบียงลำเรียงไปส่นั้นเป็นว่าขัดสมและมันก็จำเพาะที่จะไปก็จะต้องผ่านไปทํำเมืองเก่งจิวเปาสุยหยินนี่มีห้องพูดอย่างนี้เปาติงก็ร้องใเนเสียงนั้นดังโดยที่เรียกว่าอยากคิดสงสัยมากไปเลย เปาซินว่าดังนั้นก็ชะ ก, กระบีฟันทหารของกวนอูอที่มาแก้งข่าวน่ะตายในที่นั้นเลย น, นี่เปาซินทำแบบนี้เลยดีองเห็นเช่นนี้น่ก็จึงว่าึ้นมาทาการดั่นี้แล้วจะคิดประการใดอย่างไรกันต่อไปเปาซินก็จึงว่าอันกวนอูเนี่ยคิดแต่จะแกล้งฆ่าเราได้ถือตัวว่ามีอมานาจกวนอูอจะฆ่าเราทั้งสองใช่ ทิ้งสงคามมาว่ากล่าวดังเนี้แหเราเกณฑ์เขียงแม้่ถึงหกร้อยเขียงเราจะทําได้อย่างไรทางและถ้าเราทําไม่ทันเราจะนิ่งให้ตายอยู่ใหญ่เราเราสมัครไปเข้าดิฉุ่นกลัวในตังตั ง, ตงเถอะเปลวสูหญิงวัดดังนี้ขณะนั้นก็พอดีลิบอลบองลิบบองแม้ทัพหมายฐานใหญ่แห่งตังตังก็ยกทหารมาถึงเชิงกําแพง บีฮองรู้ก็กตกใจกลัวก็ออกไปกับเปาสห ญ, ญินและบีฮองก็จำต้องยอมสมัครเข้ากับลิบอ ง, บองก็คือสมัครเข้ากับสุ่มกวนสมัครเข้ากับกางตังนั่นเกองหรืรอที่เยก็เทยยศต่ออุนอูเทยยศต่อเล่าปีก็ดีแหละลิบองก็จึงพาเอาตัวเปาสห ญ, ญิงและบีฮองไปหาสุ่งกวน สุ้มควรก็ดีใจในความสำเร็จคือได้มีอีก2เมืองโดยไม่สอง เ, องเองสียหรือดเนี้อเลยก็ควรมาเมแตาเปล่าสูญยินแล้วก็บีฮองเนี่ยแล้วค่อยเกลีย้ยกลอมอมาณาจักระสระดอนในเมืองทั้ง2ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้ง2เมืองขณานั้นทางฮีเต้คือมิโต้โนะเตโชอเป็นใหญ่ เป็นพระเจ้าวีอ๋องขนานั้นนะโจโฉก็ปรึกษาคุณนางทันเปรืองว่าจะไปตีอามืองเ ก, งก่งจิวก็พอดีสุ่กวนได้ใช้ทหารถือหนังสือเข้ามาถึงพระเจ้าวีอ๋องคือมาถึงโจโฉพระเจ้าวีอ๋องก็จึงให้หาเข้ามาผู้ถือหนังสือของสุ่มกวนหินการสังเข้ามาระเบาะทำนับแล้วก็ถวายหนังสือนั่แก่พระเจ้าวี อ, องงาา๋ อ, อ, อ ง, ง, ง, งาาอพระเจ้าวี อ, อว๋ อ, องดูหนังสือนั้น แก่นเป็นใจความว่าแบบนี้ซึ่งควรจะยกไปปีเอาเมืองกีจิ๋วมิหลุไปได้ทั้ง